ให้มีคมเชื่อมีความยึดสายเมื่อบวชมาแล้วในวัดองพ์ผมนี้บวชยากบวชลำบากก็ไม่ใช่ว่าอะไรนะคืออยากจะทำให้ดีเนี่ย น, นะที่พวกเธอทนายทีมมามุ่งมาบวชในวัดองค์ผมนี้ก็มุ่งว่าอยากจะประบวช ด, ดีประพฤติดีปฏิบัติดี ต้องการให้มีศรัทธาเราต้องใช้เวลาเวลานี่เป็นสิ่งที่สำขัญเวลานี่เป็นเครื่องที่สูตว่าเราจะมาอยู่กันคราวเดียวเท่านั้นในรูเรื่องหรอกเวลาเราอยู่โดยกันเรากินโดยกันนอนด้วยกันอยู่โดวยกันตลอดหไมยวันเวลามันเป็นเครื่องที่สูตรว่ามันเป็นยังไงไห บางทีก็อยากแค่บวชไม่นานไนบวชบางทีก็ไปอยากแค่บวชบางทีก็อยากแค่บวชอยู่ที่นี่บางทีก็หนีไปบวชที่อื่นนั่นก็ไม่ว่าเพราะเราพูดถึงว่าการบวชนี่มันใจบวชเดอนถึงเม้เจะบวชเจ็ดวันเดือนหนึ่งใจก็ตั้งมาเดินนะ่ะบวชเพื่ออุทิศต่อพุทธศาสนา ขอพระสัมมาจับพุิธเจ้าของเราไม่ใช่บวชแข่งขันกันไม่ใช่บวชอะไรต่ออะไรกันไม่ใช่บวชกันอื่ถึงในบวชต้องบวชง่ายๆเอารูปมามาบวชกันไอ้กองบวชกองเด็กของญาติของง่ายทํากันง่ายมันสบายๆไม่ใมีอะไร แค่นั้นบางคนมาบวชเป็นสองปีค้ชักปีคนอย่างนี้จริงจะได้บวชเป็นเนรบวชเป็นนาคแล้วก็เรียกว่าอย่างนาคต้องมาฝึกอันนี้เรียกว่าการทุประราชคือผู้ฝึกบวชผู้ที่ฝึกบวชเรียกว่าอุบาสกที่เขมาบวชต้องอยู่ในกฎระลึอยู่ ให้ดูแลพระรู้จักถวายของพระรู้จักเลื่องพระเป็นอยู่โดยวิธีใดให้คุณนเปิดให้รู้จักเสร็จหมให้ฝึกอัดการเย็บผ้าการยออผ้าการรักษาผ้าการรักษาบาทสารคดอีอีวอมิตรบาทเสนาสนะเพสัตีพระอาศัยกัรทำอย่างไงอยู่ เราจะมาอยู่นานมาเพื่อจะรู้จักว่าการทำอะไรเป็นอย่างไรเี่ยพอเราเห็นชัดแล้วทีนี่ยเพื่อจะเดีเนี่ ย, ย, ยนะเราก็ตั้งใจชอบแล้วอยู่แล้วกับใจผิอันนี้จริงเดียวเป็นเหตุกันณุกประราศการจุกตระราศที่ที่มาทําการบวชเนี่ยการมายออจีวรมาทําจียอนมาดำ บ, บมบาสมาฝึกอยู่เนี่ย อ, อใครจะประสงค์นี่ให้ได้ ได้วินศบารมาให้ให้ให้ฉันได้ได้อะไรมาให้ฉันในทรงข้อเลยอย่างดีเลยเป็นอย่างนี้เลเหมนคนอื่นเนาะอย่างกับกันตุปราชเมื่อกันตุปราชเสร็จแล้วฝึกเป็นวาหน้าติว่าสุขวายของก็เป็นเนี่ยกระบิงของกระเป็นเนี่ยอะไรกระเป็นแม่ต่อไปก็เอื้อเข้าไปนะงบผ้ามันขาเป็นเมร์ จะได้เอาบาดใส่มือให้จะได้ห่มผ้าเรียบร้อยเข้าวินตาบาดห่ผมผ้าเข้วินตาบาดในผ้าผ้านี่ก็เป็นผ้าเนี่ยมันเป็นธงใช้ของขพธธระพุทธเจ้าลองดูผมเนะี้ยผมเมอกี้น่ะโยมนกเลยจากผุ้ม้าวินตาบาดนะครับเดี๋ยวว่าเขาจาดบาดสบายง่าให้เข้าสุขด้วย แตีกว่าว่ายเลยด้วยหลารพันอย่างคนทางเท่าแกๆแ่ๆเนี่ยหัวหงอกหัวขาวแล้วนะแคต้องไายเพราะอะไรนี่อำนาจของภาการเจ้พัดนี่ภาการเจ้พัดเนี่ยเป็นอำนาจที่สุดแต่ากว่าเอาใช้ไปถูกทางเยยืยเสียผลคนจามบ้านาไปหกเสียคนเป็นว่าเลย ไปเขาวาดที่ไหนเขาวาดตรงนั้นทีนี้ถ้าเราบวชมีครูบาอาจารย์หนึ่งเขาเป็นคนดีเป็นครูปัญญาเป็นคููใกล้ชิดกับพระเจ้าของเราแล้วผ่านาดี้ออนนี้เราอยา่าพากันเลยนีย่ถ้าเราห่ผ้านะย่อมฝาดไปแล้วเนะี่ยจะมีคนเรบูชาอะไร <c oughs> อะรเขาน้อมไวุ้กสิ่งสารพัดใ น, นเรารู้จักอย่างนี้อันนี้เป็น อำนาจทงชัยของพระพุทธเจ้าของพระรานีอย่างั้นคือท่านหลายขบวนขมาเนี่ยก็ต้องผอมผาคาจะวันให้สดุปชทวงเลที่ไม่จะบวชคราวเดียวเก้าวันสิบวันยี่สิบวันแล้วก็ตามเองเให้ประกันต่างสนใจอที่นี้การบวชการบรรพชา ในพระพุทธศาสนาเนี่ยไอ้คาสอนอย่าง อ, างอื่นมันมากมายที่สุดหลายอย่างแต่ว่าคําสอนในวันนี้เฉพาะวันนี้เฉพาะการบรรพชาในวันนี้นะไม่มากทกาตามพระบูรณอาจารย์ของท่านขับไว้ในเราบวดให้เราเรียนตำรนันเช่นว่า กรรมฐานทั้งห้าคือเกสาโลมานะขาตันตาตาจเยถ้าพูดเดี๋ยวนเป็นของเล่นเล่นถ้ารตาิจินนาอะไเป็นของลึกซึ้งมากทีเดียวเจริญกรรมฐานสรรมฐานคือเกพระเกสาพะโลม า, าพระนัคขาปะตันตาพระตาจูทั้งห้าคือกันเนี่ยอย่างเนี่ยคือผมขนเด็กฟันหนังถ้ากรรมฐานนี่เกิดแล้ว พร้อมที่เราเปิดมามีรรมฐานนแต่เราไม่นิยมจําเป็นจะต้องเรียนมูระกรรมฐานคือเป็นปาคือเป็นทางนี่การประพฤติปฏิบัติเดินชงไปถอปฏิปานนี่ยเป็นสมาธิิอันนี้นท่านจะเรียนมูระกรรมฐานเรียนมูระกรรมฐา น, น, านอาปรรมานนี่ไปผิงกันมนะาพาไป ฉะนั้นผมเคอจงเรียนพระธรรมฐานวันนี้โดยภาษามาคตบแต่ไม่เคยดูจับใครหลยไม่รู้จักผมไม่จักขนไม่รู้จักเทปไม่ดูจับตอนไม่รู้จักหนังบางคนมาเของมีอยู่จะเรียนไม่เคยทําไมเนาะใครๆไม่ดูจับคนไม่รู้จัะไม่รู้จักผมไม่รู้จักขนไม่เห็นไม่เห็นผมจากความเป็นจริงไม่เห็นขนจากความเป็นจริงไม่เห็นเทปตามความเป็นจริง ไม่เห็นฟันตามความเป็นจริงไม่เห็นหนังตามความเป็นจริงแต่เมื่อกีพ้พระธรรมทานตัวเชิดใครจะเห็นตัวเชิด อ, อย่างนั้นใครไม่เห็นก็นก็เชิดสมพระพระธรรเออนในความ เ, เ, เป็นจริงทำไมเมาเห็นนี่ผมเนี่ย เกิดขึ้นมาเนี่ยไอความเป็นอย่างที่เกิดของผมเนี่ยมันก็น่าอุจจาระเนกันเนี่ยมันเกิดมาจากหนังมันดูดกินหน้าเลื่อดน้าเสือนี่เป็นอาหารมันเกิดมาเป็นผมขนนี่ก็เหมือนกันผมขนเล็บเล็บนี่ก็เหมือนกันสึ่งทั้งหาประการเนี่ยผมขนเล็บฟันหนัง ไม่น่าจะสดใสแอบสดเราไม่เคยเห็นที่เขาแต่งทุกวันนี่เขาแต่งที่มันคล่องแต่งที่ว่ามันไม่ดีแต่งที่ว่ามันไม่สวยแต่งที่ว่ามันไม่ถูกตองอย่างเขาแต่งทุกวั น, นเห็นไหตรงนั้นแหละตรงมันไม่สวยแน่นอนและมันจุกกระโตกมากที่สุดแล้วเขาจึงเป็นแต่งเพื่อให้มันดีนะหลง ลู้ว่าผมมันสวยงดงามสาละพัดอย่างนี่ผมก็ฉันก็สวยนี่คุณชอบไหมชอบแค่ความไปกินผมเนี่ะมันจะสวยอะไรไหมไม่มีเรื่องสวยครับมันจะสะอาดไหมไม่มีเรื่องจะสะอาด แกงขีง้ริบคือแกงกระไม้ขึ้นเอาจับผมมาขบวดกับหวดจะทิ้งไปในหม้ อ, อกแกงนั่นแหะไครจะทันนะนี่นี่ดูสิหรือเอาสับหวดสมอหวดทิ้งไประหว่างทางใครจะหยิ บ, อยบกอกไม้หนังเนี่ถพกออกมาไปทิ้งในทางถนนนะใครจะไปวิทยาตรพวกนี้ใครจะใครจะไปหยิบกระไม้นมนเนี่ยนี่คือวามจริงมาเป็นอบนี้ถึมาแต่ง ผมขนเรียบฟันหนังขึ้นใลยมันสวยสะอาดหลงพวกเราเนี่จึงเป็นคนหลงไม่รู้จักผมตามความจริงไม่รู้จักขนตามความจริงไม่รู้จักเลีบไม่รู้จักฟันตามความจริงไม่รู้จักหนังตางความเป็นจริงที่ฉะนั้นเมื่อมาวัดจะตยกสิ่งห้ายอย่างนี้ขึ้นมา่มนี่มันเป็นสวยขนก็เป็นสวยเรีบมันก็เปสวยฟันมันก็เป็นหนังนี่มันก็เป็นสวยสวยเลยนะครับ แต่ว่าเอาแป้งเอาอะไรไปกะมาไปแต่มันสวยอย่างเงี้นี่ก็ เ, เพราะเราดูแคนั้นเราจึงหลงกันไม่หินไม่เห็นพรกอะไรทั้งหลายมันปกปิดพระไว้พระไม่ถูกกันมาเราก็ไม่เห็นอยู่เนีอืนี่นั้นแต่จริงมาทำการสอนเนีย่ยมันแจ้งสาธิตเนีย่ยมันแจ้งขาวสอาด เกษาโรมาหน้าตาสันตาตาจวันเป็นอะไรมันอย่างไรไม่ให้เราชัดอันนี้เราอเอาไปคิดดูก น, นะไปคิดดูกั น, นะไปพิจารณาดูในกรรมาฐานตั้งห้าประการพิจารณาเกษาแล้วเป็นมาหน้าตาันตาตาจวเหมือนจะเห็นไหม มิดเดียวสิเดียว ท, ท, ท, ที่หุ้มอยู่ในร่างกายของเรานี่ยนะแล้วมันหุ้มหุ้มร่างกายมันก็ห้มทุกสิ่งสารพัดมาให้เรามองเห็นถ้าเราไปฉีกหนังออกไปดูอยู่ด้วยกันได้ไหมเนี่ยเนาะฉีกหนังก่อนสิทุกคนอาชีกหนังก็ดูที่นั่งอยู่เนี่ยเอาเ็านนเนื้อหุ้มกระดูกไว้เอาหนังออกดูเอ เน้นน้อมจะวิ่งลงโบสถ์อย่างนี้แหละม้อไปอยู่หลับลองดูสนี่มันสวยตรงไหน น, ะน่ ะ, ะเจ้าโลกกาสันจาเอทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยอให้ดูไปถึงที่สุดมันนะมันไม่สวยอย่างนั้นถ้าเราคิดไปถึงขีดสุดกินนั้นแล้วก็ไม่ไม่สวยหมดกําลังใจเลยออื กระบวนก ใ, ในก้อนนี้าามีสิ่งผิดครับอาซอยผมขนเล็บฟันนันมันมีแต่ของไม่แน่นอ น, นแต่เรานี่มันชอบเคราะอยู่มันนุ้งติดเขาตกแต่งตกแต่งฟันเห็ดขาวสะอาดตกแต่งผมตกแต่งขนตกแต่งเล็บตกแต่งสารพัดคือของไม่สวยกันงต่สวยตื่เต้นก็ลงครับเนี่ยมันหลงนะ มันเห็นไปชัดมันก็หลงอย่างปลาปลามันกินเบ็ดเห็นไหมไอความปจริงปลามันไม่กินเบ็ดครับมันกินเหยื่อมันไปกินเหยื่อถ้ามันเห็นเบ็ดจริงจิมันไม่กินนะปลามันจะเกี่ยวปากก่อนลองดิมันไปกินเข้าไปมันกินเหยื่อแค่าเออมันมีเบ็ดเนี่ยมันติดมันเกี่ยวปากเห็นไหมไม่ดูเดียนะนี่ พวกเรากันหลายๆคนบางคนจะเห็นผมขนเลบฟันหนังจริงๆแกไม่เอานะกจะแบกไปทำไมไม่เอาไม่แน่นอนอืมไอ้ที่คนไปติดกันคนไม่คนหลงนี่หลงว่าไอ้ผมไอ้ขนไอ้เล็บไอ้ฟันไอ้หนังมันเป็นของเลิศมันเป็นของกระเสรเป็นของสวยกันนั่นเองเงินับปลาเนะี่ยปลาไม่ใชมันกินเด็ดนะมันกินเหยื่อหรือว่ามันกินเด็ด มันไม่รู้เรื่องมันกินเหยื่อแต่ไปกินกระเพาะนมเป็ดเกลียวปากของนั้นดุดไม่ได้อยากจะออกขนาดใจมันก็ออกไม่ได้มันติดแล้วเนี่ยเราคือมันการจีสาโลมานะพาตันตาตาโจเมื่อเห็นมันชอบมันโง่แล้วเอาเป็นติดในเบ็ดเมื่อรู้สึกตัวมันมาตอกปากเลยออกยากออกยาก จะออไปต้องหวังลูกหวงสุขภาพหวงอะไรสารพัดอย่างเลยไม่ได้ไปในอยู่นั่นแหละจนตายเนี่ยมันถูกเบ็ดเกี่ยวแบบนี้นี่มันไม่รู้มันหลงเองมันเันกับปลาที่มันหลงอ่มันไม่รู้จักเหยื่อไม่รู้จักเบ็ดถ้ามันรู้จักเบ็ดจริงๆแล้วมันก็เปกินเบ็ดสนั่นแหะปลามันไม่ไปกินเบ็ดแต่คนกินเหยื่อเข้าใจผิดกันกัน อันนี้เราจะติดในโลกก็เพราะว่าสิ่งทั้งห้าประกานี่มันสวยมันเลิศมันประเสริฐเราจึงอยู่บ้านจึงไปชอบไปสนุกเสยนยนทะยองอยู่ในสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นจนจะตายไอ้นคนไปเกี่ยมมันเรื่องนิดเดียวกม่ใช่เรื่องมาเรื่องเบ็ดนั่นเกี่ยวปปลาเรานั้นเนี่ยนี่ให้อาไปคิดดูในวะันดีนะอ้เจ้านั้นเมื่อเราไปคิดเพียนาแล้วนะเมื่อเราบวต่อมาจะไปกินน้ายักไปยักมาอีกชั้น เราจะมีความสบายใจถึงแม้ว่ามันสึกสึกเพราความจะเปลี่นอันนี้มันก็จะระวังระวังเวคนจินเกี่ยวปากวะเนี่ยอย่างเนี้ยอันนี้จะให้ความสมดเมื่อเราสึกไปกรดีบวดอยู่กระดนะีให้ความสงบมากกพราเราเห็นธรรมอย่างอย่างแท้จริงจริงอย่างนี้อย่างนั้นถึงแมันน้อยก็ช่างมันเจอต้องปยาปีเจนาอยาประมาท อันนี้เป็นกรรมฐานที่เธอท่านเจะต้องเรียนรู้รู้เป็นกลุ่มกลววแต่คนไม่รู้เพราะมันไม่รู้กันอะไรต่ออะไรมันเองอันนี้เป็นกรรมฐานโดยย่อทุกๆุขผลจต้องพิจารณาเมื่อเธอบวชกมาในพระพุทธศาสนาแล้วจงเชื่อตูบาอาจารย์คารบการวะ <c oughs> <c oughs> เชื่อครูบาาจารย์แนะนาคำสอนกลัวพระพุติเจ้ากลัวกฎของพระพุทธโอรของเราคือสิองคือกฎหมายของพระกันห้ามไปทุกอย่างและของนิรันดร์กันหา้ย า, ยามไปในที่สุดสุดที่สุดนี่ให้กลัวอย่างนั้นให้กลัวความผิดกลัวาบาปกลัวกฎของพระพุทธเจ้ า, าจะตรัสไว้เพวกเธอทั้งหลายจะอยู่ในความสุขความสงบ อยู่ด้ว่วามปนประบาทถ้าเราพิจารณาอยู่สเสมออย่างนั้นอันนี้เรียกว่าเป็นกรร ม, มฐานตอนนี้ไปจะมอบผ้าอีวรผ้ายอมฝาดให้ซึ่งเป็นรงใจของพอาจารย์เจ้านี่ไปหกทางนอกนี่ไเป็นประดิมุนคนทางสบพงและทางีวร งดงามปฏิปริบุทนวัดของเราปีนี้ตั้งใจคิดว่าอยากจะฟื้นฟูอะไรขึ้นมาปฏิบัติกันอย่างเกา่านั่นัน่นจึงจะขอสมวนพระขอสมวหนทางที่เคยทำมาแล้วใน ห, หลายองค์รวมไว้ เ น, นื้อต่อไปมันจะไม่มีที่ยึดมัดเราดูดูมาแล้วก็ดูตามสายตานันก็รเดียว่าน้อยที่สุดเ mm hmm. นื้อใครจะมีความตั้งใจปฏิบัติจริงจจังๆอยู่ก็ยังมีอยู่แต่ก็ต้องรู้จักคนที่ต้องมีปัญญา ผมเข้าใจว่าสถานที่อยู่วัดน้องกวบพงเนี่ยเป็นสถานที่ปฏิบัติอสมบวรสําหรับผู้จะต้องการปฏิบัติเหลือที่ว่าข้อปฏิบัติของเรามันอยากใจหยอดหลายหลายอย่างโดยมากก็พระดุลย์ดนลพิมาพระเดวเป็นพระใหม่แท้ดุลยมาก ก็พอมาถึงในเวลานี้ก็ามาจับการปฏิบัติเนี่ยไม่ถึงที่สุดเพราะว่ามันเปลี่ยนมากเป็นยุคเป็นยุคเป็นยุคมาหลายตั้งยี่สิบตัวพรรษามีอยู่นี่สมัยก่อนจะเป็นจะเข้าใจว่าพระมันน้อยเนรมันน้อยก็ได้สมัยนี้ก็เร็วพระมันมากเนมันมากขึ้น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 เราหาหนทางเสมอแหละไอ้พวกเราที่อยู่โดยกันก็มันเคยเป็นไอ้คนที่ตั้งใจปฏิบัติแล้วก็มาอยู่กับกับผู้ที่ไม่ปฏิบัติเลยเลือดที่จะทนเะลือที่จะทนอันนี้ก็เป็นได้ันกา้ในแทางที่ดีก็ได้ว่า เราจะพูดอะไรเราจะทำอะไรพวกเก่าหรือใหม่ไปกันเตออย่าไปพูดหรืออย่าไปทไําในสิ่งที่ว่ามันแยกกันมันแยกกันอย่างที่ผมเคยเตือนที่เคยทากันมาอย่างที่เรียกว่ามีคนคนหนึ่งเนี่ไม่ชอบใจการพูดขึ้นมาก็ดีกว่า ไม่ชอบใจคนนั้นคนนี้อย่างนี้เราก็คนเอ้ย อ, อย่าไปพูดเรื่องคนอื่นเลยเรามาพูดเรื่องเราดีกว่านี่ให้สติกันในรนในทิวนี่นะอย่างว่าท่านเปียกไม่เคยางดี อ, อะไรนี่เป็นอย่างนั้นอย่างนี้เราพกฟังแตเบอย ว, ว่าเอ้ยเราอย่าไปคิดอย่งนั้นเลย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 แอ่คนที่รังเกียจคนนั้นดังเกียดคนนี้อย่างมีเป็นต้นแต่อัยวัญญามันไม่เท่าถึงัถ้ามีใครไป ล, ลอยนั่นดีควรจะเป็นอย่างนั้นเนี่ยเข้าลอยควายกันใหญ่แตกกันแตกกันอย่า ล, ละอาศัยซึ่งกันในการอยา่าอย่าพูดในทางที่มันจะแตกเล่ากันอไอ้คนจะเล่ากั น, น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 ผมคอยอยู่กับพระแก่ๆมาพระนุ่มๆอยู่กับพระแก่ๆมะดูพระแก่ๆไปอยู่กวัดดูผู้เฒ่าดูว่าเราเมื่อเฒ่ามามจะเป็นยังไงไหมดูว่ะดูไปเรียนผมเรียนเรียนคนแก่เรียนเรนน า, เ, รนนารเอาเรียนเะลูกเอาเรียนเราไอ้พอคนพูดเสร็จมาปุบ ถ้ามันแค่ไม่เป็นธรรมเกิดขักจูอาไปในทางที่ไม่ดีครคนพูดมากอย่าเข้าไปสท้าแม่ตลอดไปวิตบาทนี่เหมือนกันใครพูดมากๆผมไม่ไปด้วยหรอกอย่างเดียวเดินเร็วกว่าเขาฝาทัเรียวาช้ากว่าผิดสบายดียนี่ที่ว่าอยู่กับ อยู่ก็คนมากก็ต้องรู้จักอย่างนี้จะต้องมีปัญญาอย่างเงี้ยพอจะขวนสถานที่ทุกแห่งจะให้มันจูดใจเราทุกอย่างเลยนคนให้เข้าใจคนหมูมากอย่างคนในวัดตันี้หรือวัดไตรกษนะัตริย์น่ะทางญาติโยมทงังพระทางเนร เราเราไม่เคยจะบายใจเพราะปฏิบัติไม่เคยจะดีอย่างนี้ถ้าเราไม่สบายอย่างนั้นเราจะทําอย่างไรเราต้องคิดไปอีกว่าเอ๊ะเพราะไม่ชอบคนทําอย่างนั้นไม่ชอบพนระโงค์นี้ไม่ชอบโยนคนนั้นทําอย่างนี้เราก็ไม่สบายนี่คือเหตุมันเกิดข้นมาเรากวนถามเราว่าเอ๊ะ เราจะเอาสิ่งที่สบายกับคนจะต้องทำให้ถูกใจเราทุกคนถึงจะสบายจะอยู่ได้ใช่นไหมมาสอนของเรานะถ้าว่ามีคนทุกคนจะต้องทำให้ถูกใจเราดทุกคนถึงจะอยู่สบายใช่นไหมแล้วตัวเราแล้วไปอยู่ที่ไหนมันจะมีไหม ให้เขาทำที่ถูกใจละมดทุกอย่างพอใจระทุกอย่างน้่เราจึงจะสบายภาวานาจึงจะสงกแต่โลกไหนจะมีอย่างนั้นมีไหมนี่แล้วต้องถามเรายนียโลกไหนมีอย่างนั้นมีไหมโลกมีแสนว่ามันจะวุ่นวายพระพุะธองค์กัจ ร, รูปตรงนี้ กาจการรู้ที่อื่นเรามันกัดรู้ที่ว่ามันธู์วายคือโรคแบบนี้นี่ให้เราเข้าใจมั้ยนะพระพุทธองในการกัดรู้ที่ถูกต้องก็เพราะว่าคนนินทากันคนชั้นเสริญตันไม่ใช่ว่าคนชั้นอเสริญตันอย่างเดียวไม่ใช่ว่าคนนินทาตันอย่างเดียวแต่ยังมีสัญญาไม่ใช่อย่างนั้น บางทีเขาเสนอเสนอขันวางบางทีเขาดินคาขันวางอันนี้ท่านเกิดท่านตัดรู้อันนี้ไม่ใช่การไปตัดรู้อย่างอื่นไม่ใช่ว่าท่านท่านทำอะไรแล้วกระดิหวายมนุษย์ทันายอนุมทนาด้วยทุกอย่างใครเห็นด้วยทุกอย่างไม่ใช่อย่างนั้นบางสิ่งก็ขัดบ้างบางสิ่งก็ไม่ขัดบ้างเป็นเรื่องธรรมดาถ้าพระเจ้าก็เรารตัรู้ตรงนี้ ตรงที่มันติดต่อกันเนี่ยตรงที่มันเป็นอยู่อย่างนี้ธรรมดาคนเราเลยสิ่งที่ชอบใจสบายสิ่งที่ไม่ชอบใจเราก็ไม่สบายนี่มันเป็นอย่างนี้ถ้าหากว่าสิ่งที่ไม่ชอบใจเราต้องไม้สบายเราจะอยู่ตรงไหนล่ะจะไปอยู่ที่ไหนเขาะจะทำให้ถูกใจเราทุกคนไนปะอยู่ตรงนั้นจะไปกัดรูตรงนั้นเลยตรงไหนมีเรานี่ ก็าต้องทากปัญหาเราทีเลยเห็นว่าเออก็ไม่มีลนะทีนี้ที่จะทถูกใจเราบนทุกอย่างมาเพ่จิสบายใจไงเราไม่ต้องไม่ต้องอยู่ในโลกเลยนะไ ม, ไม่ต้องมีที่ปฏิบัตินี่ต้องให้เข้าใจอย่างนี้แลวต้องเน้นะมาณในใจของเราเสมอทีเดียวถอยมาดูข้างหลังของเราจึงี่แบบ แต่ เ, เห็นเออเรื่องนี้เนี่ยพระพุทธองคอเราจึงให้มีความอดทนจะมีควเพียรเพราะอันนี้แหละเป็นเหตอกลับไปกลับมาพิจารณาย้อนกลับไปกลับมาอยู่ด้วยเรื่องภาวนาของเราผิดนะไอ้ความคิดของคมนี่มันผิดนะ มันผิดนะอยเพิ่งว่ามันถูกแล้วต้องพิจารณาเราจะสอนจิตใจของเรานี้จะเอาอะไรมาสอนเอาจิตใจของเราเนี่สอนสอนจอิตใจของเราจิตใจของเราหมดก็ไม่รู้จะเอาคนไม่รู้มาสอนดึงไงอันนี้ก็น่าคิดนะ ผมเคยผ่านมาแล้วเคยผ่านเนี่ยอารมณ์ตั้งหายแล้วนี่มาไม่สบายใจเรื่องว่าจะเอาใจเราสอนตัวเราเองไอ้ใจเรามันก็ไม่สบายให้มันไม่รู้ละเนี่ยจะเอาใครมาสอนเนี่ยมันดีขึืนเล่าไอ้รอมุกี หมุนนะนี่มันหมุนนะตามกามกริงแรกเลยหนะมุ น, นะมนเรื่องตัวของเรานี่สำคัญมากไอตัวที่มันรู้มันกรูงแล้วใครจะมาสอนเนระอยังกิฟเนี่ยมันเป็นใหญ่แต่แล้วนะ ยาเน่ตามปกติของเรา ม, มันดีใจเกินไปอันนี้ก็ผิดแล้วแม่มันเสียใจเกินไปอันนี้ก็ผิดแล้วเนี่ยมันเปลียนเยอะนรักมันก็ไม่ถูกเกลียดมันก็ไม่ถูกจะทำไงที่เรามันเป็นอย่างนั้นจิตมันเป็นอย่างนั้นจะเอาใครมาสอนจิตเนี่ยมัน รู้จักทางยาวไกลมาจอนจะมาพูดตัวกิจของเราจิตมันก็เป็นคนหลงแล้วตล้าไปมาสอนหร้อเป่านี่ให้คำหนึ่งถึงว่าบางสิ่งเราเป็นเคยเคยเป็นคราวาดมาหรือเคยเป็นอะไรมาก็ช่างเถิดเมื่อกิเยสมันเกิดขึ้น ลึกอยากได้จริงได้เกิดขึ้นมาในใจแต่ของนั้นมันเป็นของคนอื่นเราอยากได้แล้วก็อยากนะกลัวจะของเข้าครอบัวอย่างนี้ไม่มีซองอีกแล้วเนะีจะไปหยิบเพาะเขาครอบครัวจะหอมเขาจะปล่อยทิ้งนุ่งโอยาดดูที่อะไรจะเป็นยังไงบนะ้านงะลองลองที เราจะเห็นความจริงมันมันมีอยู่นั่นน่ะมันมีอยู่จะทิ้งแล้วก็เสียดายจะเอากัอบคัวจะของเราดูเรียงเป็นไหนี่ดูตรงนี้เถ่ะมันมีรู้จักที่ผิดถูกตั้งแต่มันไม่มันไม่ชัดไม่ชัดเจนขึ้นถ้าเราเห็นโทษมันยังชัดเจนเลยน่าก็ไม่เอื้อมมืเปล่าของเขา ถ้าเห็นไม่ชัดนะก็เอื้อกมือไปเอาของเข้ามาฉะนั้นเราคำนึงถึงว่าพุโทโธพุโทโธพูดถึงกำเนิดที่เราภาว น, นามาทางแรกครูบาอาจารย์สอนราพุโทโธพุโทโธพูดเดน้นก็เลยพูดเดน้นกัท่านพุโทโธพุโทโธอยู่ดีๆ ไอ้ความเปจริงพุโทโธเนี่ยท่านสอนนอนเม่อท่านอากจะรู้มาอะไรกพราะท่านตื่นแต่ว่ามันจริงพุโทโธนี่รู้พุโทโธนี่ตื่นจิตนารู้ไม่ตื่นรู้ไม่ตื่นถ้าเป็นพุทโธนารู้ตื่นได้กระบิดบานจิตนารู้มันไม่ตื่นไม่เบิดบานถ้าพุโทโธนารู้มันตื่นมันกระเบิดบาน ถามีความรู้เกิดขึ้นมาในจิตนั่นแหละแปลว่ามันรู้ขึ้นเน่มันเบิกบานเนี่มันตื่นอันนั้นนะ่ตัว น, นั้นนะ่ะมันจะรู้เรื่องของจิตว่ามันเป็นอย่างไ ร, รเนี่ยเรู้นี่ตัวนี่เลาจะสอนจิตเราได้ไม่ใช่อื่นใดเนี่ยรู้แล้วมันตื่นแล้วมันเบิกบาน ตัวรู้ตัวตื่นตัวเบิดบานในเสน่ห์พุทโธพุทโธมาดูรู้เลยมันตื่นมันร่วเนี่ยมันเบิดบา น, บานด้วยตัวจิตของเราเทียแผ่นธรรมาชาติดเองรู้มันไม่ตื่นแล้วมันไม่เบิดบานมันตึงไม่ชัดมีความรู้อีกชนิดหนึ่ง เกิดขึ้นในที่ตรงนั้นแหละแต่ว่ามีความรู้ยิ่งกว่านั้ น, นีกมันจะอาจจะรู้จิตของเราของจิตเท่าไรตัวนั้นจะสอนจินตของเราได้อันนี้พูดถึงด้านปฏิบัติในพูดถึงแบบเราหลงจิตมันกระ ห, หลงก็าภาวนามันกรหลงภาวนาในหลงนั่นแหละปลุงไปปรุงมาปรุงไป เราจะเห็นชัดมันเสมอว่าตัวผู้รู้ผู้ตื่นมันเกิดขึ้นมาถ้าผู้รู้ผู้ตื่นมันเกิดขึ้นมันก็รู้จักจิตรู้จักวิสัยของจิตรู้จักกิตพิยาของจิตมันไปไปพจน์มือเราห่อกะค่นั้นมันจิตมันไปขนาดไหนก็ช่างเถอะผู้รู้ยืนตัวอยู่ผมเคยพูดเหมันเด็กๆเด็กๆที่มันเป็นลูกหลานแล้วเนี่ย มันต้องอาศัยพี่อาศัยพ่ออาศัยแม่อยู่ถึงจะปล่ยอยมันไปเล่นมันจะเรื่อยามเรื่องขมันรู้กับรู้ตามภาษาเด็กๆแต่รู้ว่ามันไม่ตืน่นมันไม่มรู้สบารรู้มันไป็น้นอันตรายรู้มันเอาเอาส่วนรอดอันตรายไม่ได้ภาษาของเด็กมิฉะนั้นจะต้องอาศัยพ่ออาศัยแม่อาศัยพี่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 จะต้องรู้อันตรายที่จะเกิดกับเด็กเมื่อเด็กมันไปตรงไหนก็จะกวดรอยไปตามนั้นนี่ก็เรียกว่าพ่อแม่ ต, ต้องรักษาเด็กเพราะมีความรู้ดีกว่าชดาดกว่ารู้เรื่องกว่าเด็กอันนี้ก็เป็นการเมเรามกุกความมาพูดถึงเรื่องการภาวนาของเรานั้นมาพูดเรื่องผู้รู้ที่เกิดขึ้นมาในจิต น, นั่นเองนะ ผู้รู้ผู้ตื่นผู้รู้นี่มันรู้ยิ่งกว่าจิตของเราแล้วรู้ฉลาดกวจิตของเราเลยเบิกบานกว่าจิตของเราแล้ ว, ลวตัวนี้จะเป็นผู้ที่สอนจิตของตัวของเรานั้นให้ฉลาดจิตของเราที่จะฉลาด จ, จะต้องอาศัยควาผู้วันนี้ที่เรียกว่าผู้รู้ผู้ตื่ผู้เบิกบาน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 มันสงบมันเป็นอะไรเพราะอะไรเนียมันรู้จักตรงนั้นแหละอยู่ตรงนั้นก่อนต้องต้องทําไปเรื่อยไปทําไปนานๆเ น, นี่ยพระพุทธองค์ อ, อ น, นุนเจริญ ม, มากเพ่งไง ม, มากทําไงมากนี่คือทําไงมากเพ่งไง ม, มากนี่ <c oughs> เราก็ต้องพิจารณาอย่างนี้ทําไปเรื่อยๆไปไอ้ความรู้ความฉลาดของเรานั้น มันจะเกิดในที่นั้นแหละเราเพ่งตรงไหนพิจารณาตรงไหนมันจะเกิดรู้ตรงนั้นไม่ใช่ว่ามันรู้อย่างอื่นตรงมันรู้ตรงนั้นเนี่ยไอ้ความโง่ตรงนั้นอ่ะที่มันจะให้ความชัดเราไอ้สิ่งที่มันผิดตรงนั้นอ่ะมันจแจ้งความถูกของเราไอ้ริ่งที่มันรอดตรงนั้นอ่ะมันจะบอกกราไปสู่ความเย็นเนี่ยให้เข้าใจาอย่างนี้ให้จับจนอยู่อย่างนี้เรื่อยๆไป อันนั้นผมจึงบอกเสมอว่าเสมอว่าให้มันมีปัญญาเรื่องสงบจิตเฉยเฉยมันไปสงบจิตไม่ไสงบจิตเรื่องสงบจิตไม่ต้องมีปัญญาทุกอย่างทุกอย่างจะต้องอาศัยปัญญาต้องใอช้ปัญญา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 แต่เราเห็นไม่ชัดเห็นยังไม่ชัดถ้าเห็นชัดก็พิกรลกนี่อีไม่ใช่อื่นใดมันเป็นโลกระวิทูรูกแจ้งขอแจ้งในโลกมืดก็มืดอยู่ในโลกลไม่อื่นใดฉะนั้นผู้ประพฤติปฏิบัติของเราเนี่ยให้หยอกอให้ลกใครพูดจะฟัง ถึงแม้ว่ามันจะขัดใจเราก็ต้องฟังก่อนเราไม่เห็นด้วยเราต้องฟังเราเป็นคนฟังฟังไปก่อนเขาพูดผิดก็ฟังเราเข้าใจว่าเขาพูดผิดก็ฟังเราเข้าใจว่าเขาพูดถูกก็ฟังฟังมันทั้งผิดทั้งถู ก, กเพราะอะไมันจะเกิดอ่าง เป็นคนฟังตั้งชำระทิ่ฐิมานะมานะแต่แปลตามศาสตร์แบบมานะคือความยึดมั่นถือมัน่นทิฏฐิคือความเห็นใ้ความเห็นนั้นพระพุทธองค์ท่านไม่ห้ามหลอกเห็นไมเถอะแต่ยจะไปฝูกมันม่นกันไว้ แกไปหมายมั่นหมายมั่นมันเป็นตรรนัวอุปทานอุปทานด้เกิดพบเมื่อมีพบก็ต้องมีชาติจะต้องเกิดตรงนะชาติก็จะเกิดชะลาพยาธิมณนโซกะปริเ ว, วทุกไปเลยทรงออกไปนอกเลยเราจะมั่นหมายรือเกิดแป็นตัวอุปรทานนี้เองละ่ะ มันเป็นเหตุ น, นี่พบเกิดขึ้นมาฉะนั้นทิฏฐินั่นเรียกว่าความเห็นมานะท่านนี่ว่ายึดไว้อย่าไปยึดมันเห็นใจมันเห็นไมนะ่ได้ะรอกยึดมันพูดง่ายๆละว่าคนหนุม่มมันต่องเป็นเห็นสีกามานึกชอบเลยทีเดียวให้มันชอบไปเถอะนี่เข้าใจมันเยมันชอบไปเถอะ จะกด่อยตามมันไปเอาวาินาทีหลังไม่ทันเลยมันวินาทีหลังแง่งัดมันเรื่อยไปเรื่องชอบเนี่ยเรื่องรู้อยู่ตรงนั้นเรื่องไม่รู้มันจะอยู่ตรงนั้นจะหนีมันเลยให้ยังอยู่ตรงนั้นอใ น, นเรื่องจิตใจของเราไอ้มันยุ่งอยู่ในโลกมันก็แะแจอยู่ในโลกแล้มันจะไปตรงไหนละ่ะอันนี้ความรู้สึกอย่างนี้เราปฏิบัติของเรา อย่าไปเข้าใจว่ญญางอื่นแต่ว่าให้เป็นคนที่เรียกว่าพูดค่อนข้า ง, างน้อยอย่าไปอ้างหวดกลมฉลาดวดดีแต่ให้ความให้รู้จักให้มีการปล่อยวางในใจของเราอย่าไปยึดมั่นถือมั่นมันแต่ยึดยใหญ่มั่น ยึดมาดูได้ก็ปล่อยอยึดมาดูแต่ก็วาเรียกว่ายึดใหญ่มากถ้ายึดมั่นมันเป็นภพมันพบเล้กก็เกิดมันไม่เกิดแต่ก็มีตายอย่งนี้เนี่ยตรงนี้เป็นตรงที่สำคัญที่สุดขนาดที่เด้ว่าเราทำใหม่ เราไม่พูดถึงขนาดนั้นหรอกพูดถึงแบบการทําสมาธิบางทีมันก็ฟุ้งบางทีมันก็สงบคือเปลื่องธรรมดาด้วยเดไม่ต้องไปเสียใจกับมันไม่ต้องไปดีใจกับมันในบารมนอย่างนั้นแต่กระผมเคยชี้อันหนึ่รงที่ได้ผลมาแล้วน่ะที่เอาตัวรอดมาแล้วคือเรียกว่าอารมณ์ทั้งหลายจะมันเกิดขึ้นมา มัน ม, มีเกิดขึ้นมาแหละมันก็มีสมมุติบัญยัดขึ้นมาตาหูจหมูกลิ้นกายจิตอย่างนี้ตาเนี่ยถ้าพูดข้างง่ายๆตาเนี่ยมันไม่มีแสงอะไรไม่มีแสงมีแสงไฟไม่เมี่ยงไม่มีในตาของเรา มันอาศัยแสงไฟนอกมันถึงเกิมันถึงมีนี่ให้เข้าใจเงี่ยท้องต่อมโอ้โหเนี่ ย, เ ป, เ, ยเป็นธรรมชาติที่ไม่มีเสียงอยู่ในนี่นะโน้ตเสียงเครื่องไฟมันดังไปหมดเนยมันก็ตกประมาณไม่ใช่มันมีอยู่ในนี่นะมันเพิ่งเกิดเดี๋ยวนี้นจมูกเหมือนกันเป็นธรรมชาติที่ไม่มีกลิ่นอย่างนี้ ไม่รู้จักกลิ่นก่มันจะมีกลิ่นมันอาศัยกลิ่นภายนอกเข้มาอไปพิจารณานะเย็บนะไปพิจารดูนะไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะนะรถมันเกิดจากกลิ่นของเราพอดีนะรถไม่มีไม่มีรถมันอาศัยอืย่นมากระทบเข้ามันจึงเกิดรถขึ้นนะตัวมันแท้ๆไม่มีอะไรหนี่เหรอมันไม่มีสิ มันอโหต้าเมืธธ่อโหตา้าร่างกายของโภตาานี้ไม่มีอาศัยอยื่มนมากระทบมันถึงรู้สึกว่าเย็นร่อนอ่อนแข็งนี่ให้ไปเจนารุไปถึงที่มัน่มันจะเกิดเป็นอย่างนี่ธัน ม, มารน อันนี้เป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นแต่ที่นี่เรียกวอายตนะมันอยู่เนี่ยเป็นเรื่องปฏิบัติแท้ตาหูจมูกเลี้ยตายใจอะไรที่มันจะเกิดอารมณ์ขึ้นมาตั้งหงเนี่ยก็ให้มันเกิดขึ้นมาเลยอันนั้นที่เรียกว่าแม่มันดีดีแต่เราก็บอกว่าห้ามมันะ มันจะเห็นแก่ตัวตรงเตือนมันนะ่ะไม่ใช่ดีฉันชอบไม่แน่นี่เตือนมันจะ้ะยังงั้นมันจะเห็นแก่ตัวนะอือบอกว่าไม่แน่ถ้าไม่ไแน่เราก็พูดไอ้ความรู้สึกคนกลัวนี่มันวังจริงไม่จริงกันนะเนี่ยไม่เคยใช้ไหมไม่ใช่มันก็นกนกวางเอาไปชัดตื้นเลยแต่ปัญญาพีนาตาอไปพิจานั้นเรื่องอนีตจังนี่ยัเป็นเรื่องทุกระบบ ต้องติดตามนะถ้าใครพูดอะไรทําอะไรไมัน ไ, ไม่มีเรื่องอนิจจนะ์ขาดปัญญาเลยไม่ใช่นักบวชลองดูกันนะลองลองดูกัไเลการพูดจาปราศัยการนึกคิดการอะไรทุกประการนะจะต้องอาศัยอนิจจ์วนะ่าอันนี้มันไม่เที่ยงคือว่ามันไม่เที่ยงผู้ประทานเราจะเข้าไปเต็มเต็มร้อยเปอร์เซ็นมันไม่เอาเรามันถอยเอยี่ยงนี้มันไม่แห้ ไอ้ของแน่เราเพิงจะเอาดิถ้ามันไม่แน่มันก็ถอยเลยนะถ้าเราทวงมันพุบมาไปละมันโกรธคนเอ้ไม่แน่เราเพิ่ก็ถอยมามันตู้ตัวมันไม่หมายมั่นไม่ปลูกมั่นใม่ปลูกเก็บถ้าเราหมายมั่นแล้วมันแหมมันยิงตัวตายยิงคนอื่นตายมันไม่แน่มันก็ถอยกลับตู้ตัวมันอันนี้สำหรับที่เรียกว่าปฏิบัติธรรม เรื่องที่ว่ามันไม่แน่นั่นเองนะเป็นต้นมันเป็นเรื่องความคิดความรู้สึกของนักกลราแล้วมันจะค่อยๆเกิดปัญญาตรงนั้นแ่ะลองลองดูสิลองลองดูสิไปพูดกับคนนั้นคนนั้นดูทุกสิ่งมไม่แน่ว่าดีดีเดียวเราจเห็นความแน่นอนกันอีกนิดนี่น เ, นเป็นเหตุอันหนึ่งที่เราทั้งหลายจะจับไว้ให้ใจอย่าไปข้ามีิ อารมณ์ของอิปัสนาคืออนิจังฑ์ถูกขังอันตานี้เป็นบอ่อที่ให้เกิดปัญญาจะแท้ทำเรื่อยๆบอกเรื่อยๆมันจะรักมันจะโกรธนะโตอันนี้มันไม่แน่พอไม่แน่ปุ๊บ ม, มันแบ่งเลยทเลยแบ่เป็นอีกแม่ยึดเต็มที่ถอยมาครึ่งดูนี่ แอ้คนเราที่จะเดินกขับไปอีกเราคอยกลับมายืนดูอีกทีนึอันนี้จะเบียบบูบมาหลายอย่างแม้เป็นเหตุให้เราเห็นแก่ตัวด้วยอะไรหลายๆอย่างเฉะนั้นเดียวอันนี้จังถูกขังนิทานนี่เป็นบทบาทดีที่สุดจนะัลงลองดูดเองแต่มันไม่แน่ยังไนก็อยับยั้งจิตของเราอันนี้อันหนึง่งอันนี้เป็นเรื่องสงบกิต ตัวปัญญาตัวสมถานนั้นเป็นเรื่องสงบกิจตัวปัญญานี้จะเป็นเรื่องเสงบมกิริยจะเาะผาขันขืดให้หมดให้ตายอย่างนั้นแต่ยังดูตาหงงเูเจ็บหูดินปลายจะอายตนะนี้ละ่ะอารมณ์มันเกิดตรงนี้ไม่จะเกิดที่ทอื่นมันเกิดตรวนี้ สรงเสียงเดียวนี้เกิดเดียวนี้มันจะเกิดที่อื่นเกิเดียวนี้เบื่อที่นี้ยึดที่นี้หมายที่นี้โกรธที่นี้รักที่นี้เดียวนี้นี่เอาไปพิจารณาเอาไปพิจารณาฉะนั้นสันติเงียบปัจจุบันอย่าไปเข้าใจอะไรมันฝังอยู่นี่นานแล้วนานแล้วอย่าเข้าใจอย่างนั้นว่ามันเกิดเดียวนี้ เดเดือนรู้ดตั้งบัญญัติเก่เดียวนี้ตั้งสมมติเก่เดียวนี้บัญญัติเก่เดียวนี้ปัจจุบันนี้เดียวนี้นี่แตให้ทันในปัจจุบันนี้เนี่ยยังงั้นกันยังไงวะจะตามไปอดีตจะตามอนาคตให้อยู่ในปัจจุบันให้ชี้แจงอยู่ในปัจจุบันเนี่ยไม่แน่มันไม่แน่เนี่ย อนาคตยังนั่นอดีตไม่แน่นี่ปัจจุบันนี่กี่ฝ่วงแล้วปัจจุบันไม่แน่นี่เป็นเหตุจะเกินี่เป็นปัจจุบันดังนั้นถึงอดีตเขารู้จักเป็นอดีตนะอนาคตมันเป็นอย่างนั้นนะเวตาลมันรู้นะเราปัจจุบันนี้ถ้าเรายึดเราก็ยึดในปัจจุบันนี้ถ้าเราปล่อยแล้วก็ปล่อยปัจจุบันนี้เพราะมันเป็นปัจจุบันนี้อันนี้ไม่ได้เกิดมานานมันเกิดเดี๋ยวนี้ ยังตายรูปเดียวนี่ชอบเดียวนี้ไม่ชอบทางนี้เมื่อเกิเดเรียนผืปัจจบัณณนะอันนี้เป็นเรื่องปฏิบัติส่วนตัวของเรามันใครจะเป็นไม่เป็นทุกข์ล่ะบวชมาก็าจะไม่เป็นทุกข์มันเป็นทุกข์ทุกคนมันมีตัณหาตัวคนมันอยากทุกคน เดว่ามันก็หายโทษทุกคนดูที่ลูพ่อลนะูกตาอยอยากทุกคนมันค่าทิ้งทุกคนอยนะ่างเงี้ยกล้าแต่ฉันกล้าเลยกัวก็กลัวเลยนะมันหลอกอยิ่งไปหยุดสตินหอมันเปิดได้อย่างนี้เราเห็นในง่ายๆตรงนี้ฉะนั้นให้เราเปิดประดูไว อย่าปิดประตูสมุดที่ว่าเราฟังธรรมะสมมุดของความรู้สึกของเราอย่าไปกัน้นอย่าไปปิดประตูฟังฟังทั้งหมดใครจะพูดผิดเดีกยฟังไว้พูดถูกเดี๋ยวผฟังมาเป็นคนฟังนําไปปฏิบัติอะไรนันเสียหายแล้วผมเอาไปที่อะไรไม่เกิด ป, ประโยชน์แล้วผมทำกานะนี่ยนี่ว่าเราเป็นคน นังคิดสั น, น้อยปฏิบัติถ้าเรามาคิดอย่างนี้นี่นะเราจะต้องปฏิบัตินะได้ปฏิบัติแล้วสมัยก่อนที่ครูอาจารย์เคยผมก็เป็นนักเที่ยวนัเดี๋ยวไม่เคยไประโยชน์ปะ แต่่าท่านอาจารย์ท่านบอกว่าเออเที่ยวมาหลายปีแล้วนะยุดสักทีก็ดีแไ ป, ไ, ดไปทุกลงในปฏิบัตินะไปเที่ยวหาเสนาสนะที่พอดีกับบ้านใกล้นะั่งใกล้นะั้นอาหารวิสาบารพอด้ชันมีครูอาจารย์สงใจเกิดขึ้นมาแล้วในเรียนถามได้ตรงนั้นแหละ อยู่เถอะปฏิวัติตรงนั้นนี่นัทแบบอกว่าเดี๋ยวนี้มอว์มูนีท่สันชีอะไรข้างหน้ามันจะคอยเห็นกันมาดีืด่อยๆเรื่ยๆอ ๆ, ๆอันนี้มันการทาใจให้มันเย็นๆการประพฤติปฏิวัติคนมันโกหกอารมณ์มันก็โกหก ยิ่งกระคนเกินไปไม่ได้ยิ่งกะอารมณ์ใหม่ไม่ได้โกหกมันเรื่องโกหกถ้าเราคิดอย่างนี้รู้จักเรื่อ ง, อ, งอย่างนั้นก็รู้จักจิตของเราอย่างนั้นผู้ที่ถูกบวชมาใหม่ๆก็ค่อยๆทำไปหาความฉลาดในการทำของเราอนี้ก็เชางวันเถอะการที่ห่มผ้าการเที่ยววิศาะการโกชั้น การพูดจาปราศัยการท่านทำจิจวัดทั้งหลายเหล่านี้ให้เป็นคนฉลาดให้มันรู้เรื่อง